อย่างการทากัน <c oughs> ตฏิบัติธรรมคือปฏิบัติต่อหน้าที่ของเรามันต้องจำเป็นอย่าปล่อยปละละเลย ถ้าเรามีความหลงก็อย่าปล่อยปละแล้วเลยใช้ความหลงให้เป็นความรู้ให้มีศรัทธาต่อความหลงก็ไม่มีประโยชน์ให้เ่ยวข้องกับความหลงให้ถูกต้องเรามีความทุกข์ ถ้ามีงานมีการถ้ามีปัญหาเช่ว่าเรามีการงานของเราที่ฤ ด, ดูนี้เจ้าหนาเขาจะต้องเกี่ยวข้าวจะทิ้งงานการจะทิ่งการงานไม่ได้ต้องทํางานเกี่ยวข้าวให้มันเสร็จ การทำอะไรที่มันยังไม่เสร็จให้มันเสร็จนี่ยมันก็มีประโยชน์เรามีความหลงให้ความหลงมันเสร็จไปซะเรามีความทุกข์ให้ความทุกข์มันสําเร็จไปซะเรามีความโกรธให้ความโกรธมันสําเร็จไปซะก็มีปัญหาให้ปัญหามาจบไปซะ นี่คือหน้าที่ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติต่อหน้าที่ของตัวเองทุกคนก็มีหน้าที่ปัญหา <c oughs> ที่ไม่จําเป็นปัญหาที่จําเป็นก็ต้องทํานาที่ไปแค่นต้องกินข้าวมันจําเป็นต้องกินอาบนะ้ําแปรงฟัน หับนอนจำเป็นก็ต้องปฏิบัติตามอาการของหน้าที่ความทุกข์ยิ่งใม่หน้าที่โดยตรงปฏิเสธไม่ได้นอกจาก สิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปมันวนเวียนอยู่เช่นนี้สิ่งที่มันยังไม่แต่ต้องก็งมีเขาให้ถึงก็ให้ถึงตัวตัวหลักตัวใหญ่มัน เช่นเรายากจนเนี่ยันความยากจนมันมีเหตุอยู่เข้าให้ถึงไม่ใช่แช่ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาให้มันยาวไปให้มันแช่ปัญหาครั้งเดียวจบไปเลยใช่มความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงเกิดเจ็บเจบตายมีแน่ น, นอน อาจารย์พูดทธาดได้พูดว่าปริญญาของสสนโมกเออตายก่อนตายเนี่ยมันเป็นปริญญาอะไรที่ยังไม่รู้รู้แล้วนะอันจริงเหล่านี้ต้องรู้ไว้แน่นอนเถอะก่อนพอไปเจอเขาก็รู้แล้วมันก็เฉลยปัญหาได้เหมือ น, นคนมีความรู้ ได้เลีเ้ยวดีนมาทานร่วมหาวิลลยมาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราเล่วเรียนมามันก็ก็สบายแช่ได้ทำได้เึ้นหมอเราเล่าเรียนมาเรื่องสุขภาพเรื่องเชื้อโรค แต่ละจานานแต่ละโลกแต่ละวิชาบางคนก็ชํานาญในเรื่องว่าเลีงต่อมน้ําเหลืองบางคนก็ชํานานในกระดูกบางคนจำนานในเลือดบางคนจานานในอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในคนอ๋อเห็นปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คนชํานาญหมอผู้ชํานาญก็ ทำได้จนานาญในต่อมน้ําเหลือง ก, ก็ก็รักษาได้เห็หลวงตาเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมหมอรมศักเป็นผู้มีความชํานาญเอกหลายหมอมาเรลงต่อมน้ําเหลืองไม่พอมันลูกหลามไปถึงเลือดถึง หาระบบหายใจระบบะไรต่างๆไปลูกลามไปจากเมื่องต่อมน้องเหลืองไปสู่การหายใจไม่ออกการเจ็บปวดก้อนเนื้อให้ตาปอนก้อนเนื้อโตเร็วลำคอมันตันเข้าไปปิดเข้าไป โรตีมีความชำนาญในด้านนี้ดอือ่น ก, ก, ก็ต่อกันตัออีกชำนาญในห้องใช้นอนในเอ็กซ์เรย์ชำนาญในห้องไอซียูชำนาญในเครื่องมือํำนายการให้ยาปุงยาผสมยาไม่ใช่คนเดียวมันต่อไป เอาไปเอามาก็อยู่อยู่มัดได้ตักษสาโลกหายได้ภาษาอะไรโลกความหลงน่ะมันไม่ใช่มีเครื่องมืออื่นเอินความโกรธก็ไม่ใช่เรื่องอื่นความทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าอยู่กับเราเนี่ยทำไมาจังปล่อยปะแล้วเลยกันเอาไว้หลงนจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายมันไม่ใช่ รักษาได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการปล่อยอจนหอบมาถึงสุโตปัญหาไม่ไม่มีโรควังอย่างหมอม่รักษาไม่มียาต้องต้องเข้าให้ถึงคือปฏิบัติธรรม บางคนบางหมอหวางโรคเขาไม่โรคแบบนี้เขาไม่รักษาเขาไม่รักษาหมอไม่รักษาเข้าวัดเขาบอกกันนะให้เข้าวัดไปนอนเนี่ยมันก็มีอย่างนี้นะอาหาว่าหลงในสุกในทุกก็เข้าวัด ถ้าหลงในความโกรธความรักความชังหลงในเจตนาลาคะโทสะโมหะ <c oughs> เป็นทุกข์ใจต้องเข้าวัดหาพระพุทธเจ้าอย่าไปปล่อยป่าละเลยไปแค่บนบานไปหาทำพิธีลีตรงไม่ถูกประเด็นมันหลง ไม่ให้ไปไม่ต้องไปแช่เหตุไปไม่ต้องไปแช่คนอื่นต้องไปแช่อันอื่นความหลงมันเกิดอยู่ที่เราอันเปลี่ยนหลงเป็นกูกคือไม่สติง่ายง่ายมันอยู่ในตัวมันนามย่อกับนาบ่งเนื้อมันเนื้อมันในมันที่มันหลงเพราะมันไม่รู้ให้เอาความหลงเป็นความรู้ ตรงนี้อ่อย่าอย่าทิ้งประเด็นนี้เข้าไปถ้ามันทุกข์ก็เราไม่รู้ให้มีความรู้ก็ไปเกี่ยวกับความทุกข์วันนี้คนเป็นไข้ต้องกินยาพาราเซตามอลเจ๊ไข้ลดไข้กันหยวข้าวต้องกินข้าวไปถึงความโกรธความทุกข์ ปัญหามาไม่ถูกก็ต้องกินข้าวหาข้าวกินก็ทําในสิ่งที่เรากินสิ่งใดเราทําเรากินจางนั้นสิ่งใดที่เราปลูกเรากินอันนั้นเราใช่ในะสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาให้มันมีหนาวก็มีผ้าหม่มเพราะหาไว้ หิวข้าวก็ไม่ข้าวกินเพราะหาไว้นี่ก็ต้องเมื่อที่ถ้าหิวข้าวไม่ไมีข้าวกินเรียกว่าเราไม่หาไม่ทําเหตุให้เตรียมตัวที่เราหลงเพราะเราไม่เตรียมตัวมันจะจนเรื่องความหลงหลงที่ใดก็ก็หมดตัวไปความหลง จนจนจนที่จะต้องปฏิบัติตัวความหลงยอมรับความหลงให้เกิดความโกรธให้เกิดเจอัญหาลาคะโทสะโมห์ไปเป็นความทุกข์ถึงทุกข์โสะไปเทวาทุกข์ไปเถึองนอนเนาะเราทิ้งตั้งแต่ต้นมันก็ไปไกล ร่วมหลงทําให้เป็นทุกข์ได้ร่วมหลงไม่ทําให้เกิดปัญญาได้อาเจีงต้องมาปฏิบัติอย่าทอดทุละหน้าที่ของตัเองให้มีศรัทธาต่อมันให้มันต่อหน้าต่อตาเราหันหน้าใส่มันจะหันหลังใส่มันปัญหาอยู่ที่ไหนหันหน้าใส่กระโดดเข้าไปใส่ เตาไม้มันเหี่ยวอย่าเดินหนีกระโดดเข้าไปใส่หาหน้าให้มันเ้านมันลบทงล้างกระโดดเข้าใส่หาไม้มากวดหาผ้ามาถูเครื่องนูงห่มมันไม่สะอาดเรียบร้อยกระโดดเข้าใส่ซั ก, ก้อกด้วยการทำของเราอาศัยเราเป็นเหตุ ไม่ว่าอะไรเกิดจากเราต้องอาศัยเราทั้งนั้นเราทําเราใช้เราใช่สิ่งที่เราทําให้หมีบ้างอย่าจนถ้าเราจนลองนี่ก็แสดงว่าเกลียดข้านความหลงทําไมเราเกลียดข้านไม่เคยไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ป่อยว่าละเลยความทุกข์ก็เกลียดข้านในความทุกข์ เอาจงริงมันเป็นความขยันความหลงทำเราขยันความทุกข์ทำเราขยันความโกรธทาเราขยันแต่ถ้าคนที่ไม่ศึกษาก็อ่อนแอไปเลยอยอมรับเกียดข้านไปเลยตรงที่น่าขยันก็เกียดข้านตายเป็นความขามยันในทางที่ผิด เกียรติค่าในทางที่ถูกมีเหมือนกับในตัวเราเนี่ยขยันทุกข์ก็ยันหลงก็ยันรู้ไม่ค่อยจะมีขยันไม่ทุกข์ไม่ค่อยจะไม่ซึ่งมันก็ทําได้แค่นี้เองไม่ใช่อยู่ที่ไห น, นก็อยู่ในเราเนี่ย จะไปโทษใครอันมองตัวเองมองกลับมาแต่ท้อนกลับมาไม่หวั่นละเมิตาเนื้อมองไปข้างหน้าต้องกลับกลับซักหน่อยนะกลับกลับกลับภาพวาที่มันเห็นน่ะภาพวาที่เห็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไปข้างหน้าทางเดียวมันกลับมาได้ เห็นถูกก็เห็นผิดกดด็เห็นถูกมองดีๆเห็นทุกเห็นไม่ทุกมองกลับใหม่เน่ยก็มองกลั บ, ออบสร้างสภาพเช่นนี้ขึ้นให้ได้เรีว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสองมาทิฏฐิเห็นถูกมองกลับเลยเนี่ยเหมืนทุก เห็นเห็นถูกจะต้องทิ้งมาได้แล้วเกี่ยวกับข้องกับความทุกข์เวี่ยนทุก์เป็นไม่ทุกข์ไม่ต้องไปอาศัยเครื่องมืออะไรอาศัยการกระทาของเราหรือว่ากรรมมรรคเนี่ยนั่นไม่ยาก ไม่ต้องไปหลงเลี้ยลงแรงเหมือนกับภายนอกเหี่ยวข้าวต้องไปกินข้าวกว่านกินข้าวเอี่ยมเน่ยโอ้ยเหนื่อยยังขยันขยันกินข้าวขยันแต่งทัว่วขยันอันอื่นจ้ะอันตัวหลงมาค่อยขยันกันตัวทุกข์มาค่อยขยันตรงนี้กันอันขยันแบบไม่รู้ว่าศรัทธา มีความเชื่อมัน่นใครก็ต้องทำใหมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ไหนก็ตามที่ทําให้มันดีขึ้นนยมันก็สําเร็จได้เหมือนความเชื่อมั่นของประเทศไทยนายกพบประชาชนความเชื่อมัน่นนนายกกับวิเศษเมตตาชีวะเมชาชีวะ เชื่อมั่นในนายกเชื่อมั่นในประเทศไทยเราก็มาลงทุนเป็นหมื่นล้านพันล้านแสนล้านเพราะเขาจะไม่ต้องเสียหายเชื่อมัน่นการเชื่อมมั่นในความทุกข์เป็นหลานลงทุนที่ยอดเยี่ยมเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุก ใหความเชื่อมั่นเราเกิดความชากเปลี่ยนเปลี่ยนทุกเป็นมาทุกวความเพียรตัวความเชื่อมั่นก็เรียกว่าศรัท ธ, ธาการเปลี่ยนการเห็นปัญหาให้เป็นปัญญาหรือว่าความเพียรให้มีความเพียรก็ต้องมีความใส่ใจ ว, ว่าสติเข้าไป อเอาสติไปเช่นเืินสติมาเห็นตรงนี้ให้ดีๆตหลังสามอย่างเข้าไปความมั่นใจอย่าพี้งทุรลใส่ใจเสมอมั่นใจเสมอท ว, ว่าสมาธิอะไรผิดอะไรถูกมองเห็นเปลี่ยนผิดเป็นถูก หรือว่าปัญญาเป็นพลังห้าเป็นเอเจห้าเป็นพลาห้าสำเร็จเราเจ้าอาศัยพลังห้าอย่างนี้ตามความดีสำเร็จเลยไม่ใช่เราคนเดียวศรัทธาอยู่ที่ไหนไปขอจากใครไม่มีไปขอได้สร้างขึ้นมาไม่เชื่อ ม, มั่น เติเพียนอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปขอใครอยู่กับเราเพียนประกอบสิ่งนั้นเอามันหลงประกอบความหลงอย่าทิ้งคว้างไปจับความหลงมาใช้ให้มันรู้นี่หรือความหลงนี่คือความหลงนี่คือหลงนี่คือหลงหลงแปลงนี่ลู่แปลงนี่ครับบ่ายเอามันแหลกไปเลยความหลงความทุกข์ นั่นแล้ว่าในความเพียรประกอบเข้าไปอย่าว่อยเหนันเรากวดวานมันโรคก็กวดกวดข้างเดียวไม่ออกกวดไปกวดไปกวดไปนั่นเรากวดตาดใบไม้ในวัดทานลงล้นทางเชื่อมันม่นว่าไม่กวดได้สามารถกวด ไปไม่ออกได้ควงรู้สึกตัวสามารถเปลี่ยนคมหลงได้นี่เรียว่ากรรมเกิดขึ้นแล้วการกระทําเกิดขึ้นแล้วนะ <c oughs> ไม่จับไม่กวดไม่ขวาดไม่มีความเปลี่ยนเกียร์ที่ขวดไปสามผัว่าสามผัดเวลาไม่ขวดผ่านไปตอนไหนที่ไม่กวดยังไม่ผ่านมันต่างกันยังไงความหลง มันเหมือนกับใบไม้วา ม, มรูปเหมือนกับไม่กวาดกวาดไปรูปไปมันไม่อยู่หรอกความหลงถ้ารูปไปมันก็หลงเป็นรูปไปแล้วความลุกหลั ง, งเต็มความสะอาดไปแล้วนี่เรียกว่าความเพียรไม่สติหลงไปมันสาเร็จได้เดี๋ยวนี้ จมนหน้ามัน <c oughs> สัมผัดความหลงสัมผัสความรู้ต่างกันแม่แต่มือเราฝ่าเท้าเราเหยียบฝุ่นเล็กน้อยมันก็รู้นั่นไม่ยอมก็ต้องขวัด อ, อกเดินไปมืดมืดเดินเข้าห้องเดินเข้าบ้านมาเหยียบที่ฝุ่นมาเหยียบอะไร อันก็รู้งานที่เหยีบขี้ฝุ่นมันไม่ทิ้งหน้าที่มันก็หาไม่กอดหาไม่มากอดบางคนไม่รับผิดชอบตรงไหนก็ด้านไปเลยอยู่ในความลุกลุมหลังความสกปรกก็ได้สปกปรกภายนอกก็ยังยังไม่เลวเท่ากับสกปภายในของเรานะถ้าคนขยันยหน่อยมีศรัทธามีวิริยะมีความเพียร มีสติเข้าไปมีสมาธิเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่กวดก่อนหาไม่กวดมาเดี๋ยวเดียวปวดเช้านอยก่อนนอนที่ก็ทำได้ <c oughs> แต่ถ้ากวดบ้านจะน่าแขกมันก็ดูไม่งามเตรียมไม่ดีก ว, ว่าผิดตันระยะปิดประเภนี้ ให้มันสะอาดไว้กายสะอาดใจสะอาดไว้ต้อมที่ใช่ได้ชีวิตเราให้มีสักสามโสวัดเรามีสักสามโสสี่โสโสอะไรบ้างหามาใช่รูนะ ตออะไรบ้างที่ใช่ที่สุกโตนะถ้าไหนกายใจเราเนี่ยก็ว่าสามโสสี่โสเอาไปแช่ข้างนอกสามโสสี่โสหนึ่งสะอาดใช่ได้ไหมสะอาดสะอาดเราสะดวก โถ่ที่สองพอมีใช้ได้โตภาเก้าอี้ห้องน้าสาดพ้อมที่ใช้ใช ส, ใชสะดวกสะดวกมันเกิดจากอะเกิดจากเมน้าเมขันใช้ได้ะกะลุวั่นในห้องน้ําใช้ได้สะดวกสาดแล้วไม่พอสะดวกถ้าสะอาดเฉยเฉยไม่สะดวก ห้องน้ำสะอาดเฉยๆเจอว่ามีน้ำไม่มีขันไม่เมอ่อะไรต่างๆมันก็ไม่สะดวกเข้าห้องน้ำต้องวบบิ่งหาขันหาตักน้ำมันก็ไม่สะดวกสอาดสะดวกไม่จเรียกพมอะนนั่งได้ ไม่ช่วยชามเพื่อจับมาใช่ได้แก้วน้ำเพม่อไปกินได้ถ้ามันสะอาดเราก็สะดวกถ้าไม่สะอาดมันก็ไม่สะดวกแกวน้ำก็เปื้อนแต่บางที่ไปบางวัด ท, ที่นั่งกินข้าวก็ไม่น่านั่งอย่างเดินธรรมะตาปีหนึ่ง แต่ยังข้าวหน้าหน้าพระประธานหน้าพระประธานเมยพุทธลูกเมยโต๊ะหมู่ในโต๊ะหมู่นั้นใต้โต๊ะหมู่นั้นเมยถ้วยปลาล่าเมยเมยลูกแปลกลีวกัวนั่งอยู่ที่นั่นแมวก็นอนอยู่ที่ใต้โต๊ะหมูนั้นแมวมานอนอยู่ไม่ลูกอ่อน แล้วก็มีขี้แมวมีขี้แมวอยู่ในใต้โต๊ะหมูนั่นเป็นขุยไปเลยมีหัวหนูหัวจิงกาหัวจิงกากองอยู่มแม่แมวก็หาหาเหยื่อมาเลี้ยงลูกนั่นก็ล้วก็ไปนั่งกินข้าวอยู่หน้าโต๊ะหมู หว่าพระผู้ใหญ่เขานั่งหัวแถวที่ไหนละ่ะมันอยู่แต่ขี้แมวเ <laughs> ออเอากินข้าวไปทั้งเหม็นขี้แมวไปว่า จ, จะไม่ดูมันก็ชวนไปดูโอ้ตลกดีละ <laughs> ่ะลองดูที่กินข้าวกับขี้แมวไหมตา ก, ก็เห็นขี้แมวเราก็กินข้าวกินได้ไหมที่เขาต้องขาดตัวอย่างหลัง พี่ไม่ไม่สะดวกไม่สะอาดแล้วก็สงบสงบเข้าไปแคหน่อยสามสสะอาดสะดวกสงบสที่สี่หามาสติเข้นี่สักสามสสี่สในกายในใจแล้วนี่เราไม่หรือซิ่าให้มันฟุ้งซ่านก็สงบ มิสติเข้าไปสอาดเข้าไปส่ากายจเาจริญไหวจาตใ จ, จเจริญสุขเข้าไปใจมันลกลงลังแล้นี่มันสศกปกอะไรดเองความหลงความศกความทุกข์ความโกรธความคิดอะไรอาวรส่กปีหปีเอามาคิดมันศกปลกมามาเติบเพื่มมา ไม่เคยซักกครพ่อมานี่มาซักมาล้างออกน้ำเส้นน้ำาทำําเวลามราคิดไปรู้สึกตัวซักไปแล้วแต่ยักเป็นสะอาดมันมีเหมือนกันมันสุขมันทุกข์สวอาดกายกายก็ติดอะไรมา้าลงพอลองซักออกไม่รู้สึกตัว ใจให้รู้สึกตัวเวลามันหลงไปรู้สึกตัวซักแล้วสักอีกสักแล้วสักอีกความรู้สึกตัวความรู้ตัวไปอยู่กับควาหลงวรู้สึกตัวไปอยู่กับความสุขความรู้สึกตัวไปอยู่กับควา ม, วมทุกข์มันจะเกิดอะไขึ้นเอาตรงนี้หรือว่าความเพียรหรือว่าศรัทธามันไม่พ้นแน่นอนอืมแล้วก็มันก็นดำได้โอ้ ก็ทำได้เวลามันหลงรู้จักตัวหนโอ้ยมันสะอเดมอนเราถูกบ้านเรานั่งนอนที่นอนของเรารักผ้าผูนอนชาอาชาัดดูก็สาาดตาสองผัดก็สาาดกายสะอาดใจใจสะอาดแล้วมันจะเป็นยังไง ทำไมจังปล่อยไม่มีศรัทธาไม่ช่วยตรงนี้แเราเหมือนถูกมันทุกันสุกก็ปกเหยื่อกายมันเป็นสุกเหยื่อกายเป็นทุกเหยา่อใจมันเป็นสุกเหยื่อใจมันเป็นทุกไม่ถูกต้องมันสุกกรปกุออกเอให้มันไม่มีอะไร ไม่ทำอะไรเลยก็อยู่เฉยๆอย่าดื้อด้านอย่าไปสุกสนอย่าไปคิดอ่อดีใจเสียใจคิ ด, ช, ด, คดชักคิดสั่งพอใจไม่พอใ จ, อ, ใจอย่าไปใช้อยู่เฉยๆบางสำนักเขาอยู่เฉยๆเขาบรรลุธรรมกันหมดมีร้อยบรรลุธรรมเป็นร้อยเขาอยู่เฉยเฉย เราเดินจงกรมจนตนหนนแห ล, ลกไปเลยสร้างจะงหาะจนไม่มีเวลาเลยมีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่มีเปลี่ยนผิดเป็นรู้การเปลี่ยนผิดเป็นรู้อาจจะไม่ยกมือสร้างชังหวะอาจจะไม่เดินจงกรมก็ได้การกระทําภายในยใจของเรา นัองอ่งเฉยๆสนุกเพลินมันว่าแต่มีสติเป็นเป็นหลักไว้มันก็ไม่ยากนะผู้เดินจงกรมผู้นั่งจ้างจังหวะถ้าไม่มีสติอาจจะสู้ผู้ที่นั่งอยเฉยไม่ได้นะถ้าทำให้มันโถกเราไม่ถูกก็เอาเอาความเพลยนไว้ก่อนเพื่อให้มันหัด แต่บางคนมันต้องหัดจ่างนั้นถ้าบางคนก็ไม่ต้องหัดจยานั้นก็นได้ไม่ถือว่าผิดไม่ถือว่าถูกนะถ้าของหลงน่ะไม่ได้หลงอยู่ในไอ้บทใดทั้งส้นมันหลงในทุการเราก็รู้ในทกการความรู้จากตัวมาใช้อยู่ในไอ้บทการเดินจงกรมหรือการสร้างจังหวะมันอยู่กับความรู้มันอยู่กับความรู้ที่เราประกอบขึ้นมา ง่ายที่จะรู้อ่าเนี่ยบัตรรู้ทาได้ขอให้รู้กันไปรู้กันไปไม่ใช่อาศัยแต่สร้างจังหวะหรือเดินจอกรมก็ได้นะจะอาศัยการสร้างจะดเดินจอดกรมก็ได้นึกว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นจะมาไป สี่อริบทยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นเราหัดให้อยู่ในทุกรูปแบบเปิดเพื่อมาก็รู้ได้ลานหน่าแปลงฟันก็รู้ได้อริบทการใช้ประจำวัน <c oughs> ก็ได้ทั้งนั้นนี่ให้มาศรัทธาแบบไหนไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่เราเล มีกายมีใจมันพร้องวัตถุประกณ์ที่จะมาประกอบรวมเพียีนันทได้ไม่ไม่จนนะไม่จนบางทีเราดูเครื่องดูมิตรก็ เ, รเลยสมัยก่อนกล้าพูดเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าพูด กางทีก็บอกวา่าเรามีชีวิตบันเดียวอาจจะดีกว่าคนมีชีวิตสิบบันเรามีสติ <c oughs> ชเจ้ามองหนังเจ้ามงหนังใช้เวลาเท่ากันบางคนอยู่ห้าหกชั่วโมองอาจจะสู้เราอยู่ชั่วโมงเดียวนนาง ถ้าสังเกตดูบางคนสร้างกีว่าก็ไม่มีสติเดินยังคงว่าไม่มีสติแต่เรานัง่งเฉยอาจจะมีสติกว่าสิบชั่วโมงของคนบางคนซึง่งเราอยู่ชกกั่วโมงเดียวไม่ได้ตุ๊เจ้าก็ตัดลังเหนียวไว้โยจะไวสังเชวีโกศตให้บริโยเอกหังคีตังเสยโยวัโตเพยียปะยัง ปินธรรมาดาดอยมีชีวิตรอยปีถ้าขาดสติไม่ประเสริฐเท่ากับบุคคลที่มีชีวิตวันเดียวโดวยต่างชีสีโตเฮรีวิโยไม่มีสติไม่มีขวัเพียรสิบปีไม่ชิไม่ ป, ประเสริฐ ถ้าผู้มีความเพียรมีชีวิตวันเดียวประเสริฐกว่ามีสติไม่ ส, ำสัำเสะเละตรงนี้แน่นอนละ่ะอย่าให้พลาดกันอย่าเอาความยากลําบากความยาขยันคือขยันอะไรไม่ใช่ขยันเดินจงกรมไม่ใช่ขยันสร้างจังหวะขยันในความเพียรมันหลงขยันรู้เอาไว้ตรงนี ทุกข์ขยันรู้ยิ่งทุกข์มากยิ่งขยันมากยิ่งหลงมากยิ่งขยันมากตรานี้ความขยันมันอยู่ที่ความขี้เกียจจนมันอยู่ความร่ำรวยมันอยู่ที่ความชากจนหาความร่ำรวยในความยากจนจะให้ความยากจนในความยากจนหาความไม่ทุกข์อยู่ความทุกข์ หาความไม่ทุกอยู่ความทุกอย่างในความไม่เที่ยงไม่ไปทุกในความไม่เที่ยงเป็นนิพพานมันอยู่ตรงนี้ในความไม่ทุกขเป็นนิพพานมันอยู่ตรงนี้อย่าไปเปเฉดนะของเม่ค่าเมื่อไรบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงเน่อนั่นย่อมใน้นในสิ่งที่เป็นทุก ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระในพานอั่นเป็นทางหมดจดเมื่อใดผุ้คลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นั่นน้อยหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระในพานจบตอในก่อนนะกราบพพร้อมกัน